อิสลามอัลลอฮฺมะอัลลอฮฺอิมัลาฮิลลาฮฮ เจานะ์มดะนอัุะนัฟิรุะนอบิลลามินชุรริอัฟุสินะมิอาติอมลินมายาดิลละาดลละูลลาลาฮิลลห์ละ الله إلى ل ا الله وحده ا ش له ش م ح و ا ل ل ه ن ا ن ا ن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 ا ل ل ه h u m m a inni a u z ا ل ك k a min al-kasal w ربي أ ع و ذ ب ك م ن ع ذ َ ا ب, ب ف ي ا ل ن ا ر و ع ذ ا ب ف ي ا ل ق ب ر ا ل ل ه م َ ع ا ف ن ي ف ي ب د ن ي و َ ا ف ن ي ف ي س م َ ا و َ ف ن ي ف ي ب ص ر ي س ب ح َ ا ن ا ل ل ه و َ ب ح م د ه ع د د خ َ ل ق ه ل و َ ر ِ ق ن ف س ه و ز ِ ن ة ع ر ش ه و م د ا د َ ك ل م ا ت รับِ q q ah uh. ิษณุร ر สอดรีวยาศริลิอัมรีวะฮฺลูอุลอาบดัตัมลิซานียับّัฺَุกาวรีสุลลามะลิขุมมะรับ ل าตุ ل ลอฮฺอฺ م าระ ل บอฺกะโตฺพี่น้องที่ร่วมนมัสซุบะที่มัสยิดของอัลลอฮฺที่รักทั้งหลายครับและพี่น้องที่ติดตามรายการตัปซีร์อิปุรานที่อยู่ที่บ้านของท่านทุกๆท่านครับด้วยความเมตตาของอัลลอ สุภานุปทานที่อัลลอฮให้เราเนี่ยมีลมหายใจถึงขณะนี้เนี่ยพออัลลอฮเมตตาเราต้องหากไม่ใช่เราอยู่โทษ ต, ตัวเราเองนะครับอัลลอฮประทานรหำมะให้และเป้าหมายที่อัลลอฮให้เรามีชีวิตอยู่นี่ไม่ใช่จะทำอะไรตามใจตัวเองไม่ใช่นะครับพี่น้องต้องปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮทุกอิริยาบท การลุกขึ้นนมาตอนก่อนนมาสุบนหนึ่งหนึ่งหนึ่งชั่วโมงเเป็นงานหนักเป็นงานหนักครับแต่ถ้าใครที่พยายามพัฒนาตัวเองนะครับแล้วก็ปร ะ, ระคองตัวเองตามยากักขุอานที่เราอ่านมาในสุรนี้แหละตตาจาฟย์ฟย uh um ah um ุนบุฮุมอานิลมาดยะยะดาวนารบบะหุมข้าวฟ้าหัวต่อมา นี่ายะเนี้นะครับ็นการเตือนผู้ศรัทธาต่อหลงมุสลิมทุกคนทั่วโลก ต, ตาตาเาฟะจงเอาสีข้างของพวกเขานั้นออกจากที่นอนของเขาเราใช้ภาษาเป็นภาษาที่เขาใจง่ายๆไม่ต้องอธิบายเลยนะครับอาญะที่16ของสรุอัสัจดานเนี่ยตาตาเาฟะจุมูบูฮมานิลมาดอย ย้อนยนารบบ่าวมขาเาวัด่อมา a l l a ดีมากครับสีข้างของพวกเขาอยู่ห่างจากที่นอนยามค่ำคืนพวกเขาวิงวอนต่อพระผู้อภิบาลของเขาด้วยความกลัวและด้วยความหวังอัลฮัมดุลิลละฮ์นินาบีทาเป็นแบบอาว้ยพูดด้วยแล้วก็ทำด้วยเราก็เหมือนกันเรียนศาสนาเนี่ยอิสลามเนี่ย ไม่ใช่เรียนให้มีอิมานเพิ่มอย่างเดียวต้องปฏิบัตินะคะรับพอปฏิบัติแล้วอิมานของก็เพิ่มอิมานมันก็เพิ่ ม, ม, ม, น, มนะครับวันนี้เรามาอายะสุดท้ายของสุรัสัจดาสามอายาดีกันอยากจะให้พี่น้องมุสลิมนะครับทั่วโลกเนี่ยท่องจาสุรน้นี้สุรสัจดาเีย เพราะว่ามันมเกี่ยวกับเราทุกอายาณ์ะในกุรอาน6 0 0ักอยกว่าอายาณ์นี่มันเกี่ยวกับชีวิตเราทั้งหมดฉันั้นขอให้เราได้ท่องจำสุรานี้นะครับอัซจดะมีทั้งหมด30อายาณด้วยกันทอยีลก็คุณลลฮที่เราได้มีโอกาสมาชกสวดอัลกุรอานที่บ้านของอัลลอฮ์นะครับวายะกูลูนามตาฮัลฟั อินคุณตุม صاد ق ي ن ว่ายัมางอคุณตุม صاد อาอัล้อที่28นะครับของสุราอัลซจดะอนี้ต้องการจะเตือนอย่างนี้คือให้ความรู้กับพวกเราอะนะ คืออัลลอฮ์นี่บอกกับนบีแล้วก็บอกกับคนที่อ่านกูรานทั้งโลกนี่แหละอายานนีญญ้ต้องการจะบอกว่าคนกาเฟตคนคนกาเฟตเนี่ยส่วนใหญ่อยู่ที่มักกะปฏิเสธอิสลามแบบชัดๆเลยกาเฟตกระดิกกาเฟตมุชลิมีอยู่ที่นครมักกะส่วนมูนาฟิกเนี่ยอยู่ที่ไหนรู้เป่าอยู่ที่นครมดีน่า ที่นครมดินาเนี่ยเพราะที่นครมาดินานี่มีพวกยาฮูดีอาศัยอยู่เยอะต่นีนิสัยของยาฮูดีเนี่ยบางทีก็แกล้งมารับอิสลามแล้วก็มาอัปพราบตัวเองว่าชา น, นี้เป็นมุสลิมนาะข้าวข้างนาบีนาะแต่จริงๆเนี่ยไม่ใช่อัลลอฮ์ก็ส่งยิบรีตมาเล่าว่าให้พวกนี้มันไม่ใช่นะ ตอนหน้าเนี่ยมันก็บอกาฉันเป็นมุสลิมฉันอีมานต่อ Allah, อัลลอฮ์เหมือนท่านนี่แหละนมาดเหมือนท่านนี่แหละแต่อัลลอฮ์เล่าให้ยิบลีนฟังว่าไปบอกกับนบีนะในใจลงมาเนี่ยมันอัมพางเอาไว้เรียกไว่าอะไร น, นะมุนาฟิกนี่อยู่ในกลุ่มต่งเงีย้ยหนักไหมหนักครค่คนอาหรับในละครมัก ก, กะเนกาเฟชชัดเจนฉันไม่เอาอิสลามฉันขวางอิสลามทุกขั้นตอน แต่ที่พอว่าพยศมาถึงนครม ด, ดีนะม ด, ดีนานี่เป็นมุสลิมแต่ไม่ใช่มุสลิฟเรียกว่ามุนาฟิกนบีวางตัวยังไงแต่เป็นเรา่ออึดอัดน่าดูเลยนะอันนี้ครูอ่านเล่าะให้ให้นบีฟังแล้วก็เล่าให้พวกเราฟังทีนี้พวกมักกาเนี่ยเยอะเย้ยอ่าเยอะเย้ยนบีสอนอะไรก็ตามเนี่ยเยอะเย้ ย, ะ ย, ะยะหมดเช่นนบีสอนบอกว่าเยามุลฟาซ อัลฟัตเข้ามามาถึงวันแห่งชัยชนะวันแห่งชัยชนะเนี่ยก็อธิบายอย่างนี้มายถึงวันกิยามักก็ได้สองวันที่มุสลิมจะชนะคนกาเฟตเนี่ยพราหน้าบีสอนไงวันหนึ่งเนี่ยมุสลิมจะชนะคนกาเฟตพอพูดกิว่าเข้าหูคนกาเฟตทั้งหมดเนี่ยคนนี้มันก็จ้องมองอยู่มันก็ถามไง เมื่อไรจะชนะเระผู้เองแล้วยเรผู้เอ ง, วว เ, องมเมื่อไรจะชนะเราผู้เองเป็นมุสลิมอยู่นัรมักกะกะแอบจะมาแอบรับอิสลามกันใช่ไมแอแอบแ อ, บ แ, อบแล้วก็ไม่กล้ า, สาแสดงตัวอท่าสภาพนี้แหละเมื่อไรจะชนะพวกเราโอ้นี่ดูถูกใช่ไหมเหยื่อเยะ ย, ะยะดูถูกนบีเรื่องจ่ออกมาจากปากคนกาเฟเนี่ยอัลลอฮ์นำเอามาเล่าให้นบีฟังหมดเลย ก็คนเรานี <im> ่ม <im> ีคิดอะไรเยอะเย้ยอิสลามเยอะเย้ยคำสอนของนบีว่าเมื่อไรจะถึงวันตัดสินสัีหรือเมื่อไรจะถึงวันกิยามะนี่นบีสอนมาตั้งนานแล้วไม่เห็นมีวันกิยามะสักทีแล้วเมื่อไรคุณจะชนะมันมีสองสองสองสองความหมายคุริถ่าว่าไงนะวายกูลูนและพวกเขากล่าวว่า พอเลยอย่ากู้เป็นแฟนมดเตัวที่สามพอลยย่ากูลูย่ากูล้นีย่กูลูนี่ตันักเรียนพวกนี้เก่งฉะนั้นพวกเขาเหล่านั้นหมายถึงคนกาเฟสเนี่ยพูดเยอะเยยว่ามาตาฮาลฟัตฮุเมื่อใดเล่ามาตาแปลว่าเมื่อใดหรือเมื่อไรฮาลฟัตุชัยชนะอันนี้หมายถึง ที่ท่านนาบีสอนว่ามุสลิมจะมีชัยชนะเหนือคนกาเฟนะเมื่อไรจะเกิดโอ้โ ห, โหเห็นหมยิงวันนี้กับันจันทร์ใช่ไหมเราก็เรียนคุณอาดว่ามุสลิมจะชนะคนกาเฟนเราก็ทุ่ดาวทุกวันเห็นไหมถูกเล่นงานแล้วก็ประเทศต่างๆของมุสลิมแตกแยกกันหมดเลยไม่เห็นหอ่ะอ้าวในสูดานรก็ทะเลาะ ก, กันแบ่งออกไปแล้วในประเทศลีเบียก็ทะเลาะ ก, กัน นฟิเมือรการยิวดีทั้งหมดยุคนนั้นแต่แคงคนนี้เอาเงินอัดตรงนี้ให้ ห, หนะตลอดกันอะไรจะที่แผนการของยิวดีทถ้าไม่อ่านกูอ่านไม่รู้พออ่านกูอ่านรู้แล้วโอ้โหมันเล่นมาตั้งแต่สมัยนบีนี่มันพันสี่ร้อยปีแล้วยังขูมุสลิมตลอดไปแล้วแต่สมัยนั้นนี่ขูคขูแล้วนบีให้เห็นหรืออัลลอฮ์จัดให้เห็นอย่างสงครามสงครามเหนชนะ สงครามอะไรนะสงครามบาดาซัยมากศัตรูมี 3,000 คนทหารมุสลิมที่เป็นซอบ้านนบี3า0คนละใครแพร้กคระนะชนะชนะเช็ดเลยพวกกาเฟตแพ้มุสลิมชนะแค่310คนชนะได้ยังไงเนี่ยอลัลลอฮฺให้เห็นอือเหรอโอ้แต่พวกนี้มันคิดไม่ถึงกระปล่อยมันไปแต่ไม่ไม่มีปัญหา วายกูลูนมะตาฮัลฟัตและพวกเขากล่าวว่าเมื่อใดแล่าหรือเมื่อไรแล้วชัยชนะจะเกิดขึ้นแก่พี่นมมุสลิมสักทีอิงกุนตุมสอดีตรีถ้าพวกท่านพูดจริงนะของที่นบีนามา ม, ามาพูดถ้ามันจริงเนี่ยมันต้องแสดงให้เห็นแล้ว นี่ชีวิตที่ท่านนาบีที่เอาเล่าเล่าตรงนี้อยู่ในนครมักการนะนอยู่ในนครมักการนะยังไม่ได้อพยพไปอยู่ที่นครมดีนะอยู่ในนครมักการนี่นับถืออิสลามแบบไหนแบบหลงหลซ่อนๆใช่ไหมล่ะไม่กล้าประกาศตัวเพราะไซนาอุมัดประกาศรับอิสลามวันนั้นก็โหพวกเยอะสิเพราะหัวหน้าใหญ่มาเองถัดรับอิสลามเนี่ย ท่านยืนประกาศอา้าวใครต้องการจะเล่งงนงัดออกมาเลยคนก็กลัวกันเยอะใช่ไหมแต่อย่างไรก็ดีอิสลามก็ยังถูกเยอะเยะ้ยถูกรังแกถูกถากถางอยู่ตลอดเวลาผมว่านะจะถูกถากถางจนกว่าจะถึงวันเกียร์มากแต่ยิ่งถูกเยอะเย้ยเท่าไหร่คนยิ่งรับอิสลามเพิ่มขึ้นนาสังเกตสิยิ่งถูกเยอะเยยถูกหัวเราะเยาะถูกพูดใส่ร้ายก็ไรก็ตามไป จะคนจะรับอิสลามที่ในกทมนเนี่ยเยอะมากที่สามที่ชนเนี่ยโอ้โหรักันที่ผ่านผมเนี่ยเราอยู่ตัวเล็กๆอยู่ตรงนี้นะนี่คนมารับมาบางที่รับทางโทรศัพท์อยู่ต่างจังหวัดฉันจะรับอิสลามแล้วผก็สอนเลยเอา้าวละอิละอิละลออธิบายก็บงังรับอิสลามกันเยอะขึ้นเราก็นึกถูกต่อว่าถูกใส่ร้ายถูกเยอะเย้ย ที่ทำไมคนนับอิสลามมันเพิ่มขึน้นี่มันแขกของอัลลอฮ์ س ب าน ن ه และ ت ع า ل านะครับวายกูลูนะมาตาฮัลฟัดฟัดฮุแปลว่าใช่สนะนะฟัดฮ์มักกะอ่าฟัทฮมักกะก็ใช่ด้วยนะวันที่นบีอพยพจากนครมักกะไปอยู่ที่นครมดีนะแล้วก็กลับมายึดใหม่เนี่ยเขาเรียกว่าฟัดฮูมักกะ แต่อาย่านี้ไม่จะพูดถึงฟัตมะการยานคอนมะการไม่ใช่นะเขาต้องการจะบอกเยอะๆว่าเมื่อไร่จะถึงวันเกียร์มาแล้วเมื่อไรมุสลิมจะชนะคนกาเฟสักทีหนึ่งไม่ใช่เฟไม่ใช่ฟัตมะกานะพิชชัทมะการนี่ไม่เกี่ยวกันนะแต่อธิบายเรื่องอื่นๆเรื่องวันเกียร์มาจะมาเมื่อไร่แล้วเมื่อไร่มุสลิมจะจะรับใช้ชนะเหนือคนกาเฟสอธิบายตรงนี้ทีนี้วันเกียร์มามาเนี่ยนะ คนกาเฟสไม่เชื่อเพราะคนกาเฟสในถูกสอนว่าตายแล้วตายเลยตายแล้วเรื่องฟื้นเนี่ยศาสนาอิสลามสอนอยู่ศาสนาเดียวพอฟื้นขึ้นมาขึ้นมาทําอะไรรู้ไหมมาตอบแทนคนดีได้รางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์เป็นเรื่องดีๆก็คือสวนสวรรค์ส่วนคนกาเฟสนั่งกอดอยู่ในนรกพวกนี้มันก็นอรอนาะมาไหรแล้วมันจะมาสักทีหนึง่ง เนี่ยกระตายกันมาต่างเยอะแยะแล้วไม่มีใครขึ้นมาบอกว่าวันเกียหม์มีจริงที่ต้องการจะยกยยคำสั่งของนบีคำสั่งจากอัลกุรอานคำสั่งที่มุสลิมศรัทธาอยู่วันนี้ถูกยเยเยมาตลอดเวลาเราทำไงต้องอะไรอดทนอ้าต้องอดทนตลอดเวลาครับต่อมาอายะที่ยี่กนี่อัลลอฮ์่อกกุลยาวมัลฟา ل א ي َ ن ف َ ع ُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ ي ُ ن ظ َ ر ُ و ن َ ا ل ل َ ه ُ أَكْبَرُ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا ي َ ن ف َ ع ُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنْ ُ กอุอัลลอฮฺปจริงๆนี่คาตอบที่คนกาเฟ่รอนะนี่อัลลอฮ์ตอบประทานอุรานลงมาให้จิบรีนมาให้กับนบีให้นบีประกาศตอบที่เขาถามว่าเมื่อไรชัยชนะของคนมุสลิมจะมาเนี่ยอัลลอฮ์ตอบแล้วนะกุลอ่ากุลแปบว่าไรมุฮัมมัดเอ๋ยจงตอบ ตอบแทนอัลลอฮ์นั่นแหลจงตอบที่เขาว่านาบีตาหนินบียบเยอะเย้ยนบีว่าเมื่อไรจะถึงวันกิยามาสิงทีเมื่อไรจะมุสลิมจงจะน่าสิงทีกุลมุฮ์มมัดเออจงตอบตรงนี้ต้องการจะบอกว่าในอิสลามไม่มีคําว่าสายนี่อยายะเนี่ยไม่มีคําว่าสายครับฉะนั้นใครที่ทําอะไรผิดผิดผิดไปโลกนี้นะกลับตัวว่ซะกลับตัวครับ กลับมาเรียนศาสนาใหม่กลับมาเรียนอิมานใหม่ทิ้งกาเฟ่กุฟเชริกทิ้งให้หมดแล้วปรหารมายึดอัลลอฮ์องเดียวมายึดท่านนะีมุฮัมมัดมายึดอัลกุรอานอะควิดาที่เชื่อว่าไม่มีวันสิ้นโลกนะเปลี่ยนใหม่นะวันสิ้นโลกเมืตาแล้วต้องฟื้นฟื้นแล้วต้องไปยืนอยู่ต่อนหน้า Allah, อัลลอฮ์ไอนี้เป็นเรื่องจริงทั้งหมดอ่ามุฮัมมัดเออจงตอบแทนยาอูมันฟัดฮิวันแห่งชัยชนะ หรือวันแห่งการตัดสินก็คือลายม์ฟาลลาลีนกาฟาลูลายม์ฟาวแปบลบว่าไม่อํานวยประโยชน์ไม่มีประโยชน์ไม่สามารถอํานวยประโยชน์กลุ่มไหนครับอัลลาดีนกาฟาลูบัรดาผู้ที่ปฏิเสธ ที่ปฏิเสธอัลลอฮ์ปฏิเสธนบีม د, ุฮัมมัดปฏิเสธรุกลอีมานทั้งหข้อปฏิเสธว่าตายแล้วไม่ฟืน้นปฏิเสธวันเตียมะปฏิเสธว่าไม่มีมลลัยกะปฏิเสธว่านบีนบีของอัลลอฮ์มาปฏิเสธว่าวันเตียมะไม่มีวันนั้นแหละพวกเองอีมานของพวกเขาเหล่านั้นไม่มีประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นหรือพูดง่ายๆอะ่ะถ้าคุณไม่มี إ ي م านตั้งจะโลกดุนยาไป วันนั้นละ่ะอีมานถ้าคุณจะศรัทธาอีมานหลังจากวันเกียม์มามาแล้วนะอัลลอฮอนี่ท่านถูกฟื้นจริงๆแล้วเนี่ยงั้นขอฉันขอเชื่อว่าอัลลอฮ์มีวันเกียม์มามีจริงอัลลอ์รับไหมนี่อายะนี้ตองการจะเตือนถ้าวันเกียมมามานะอีมานของผู้คุณจะมีกี่พันธ์เท่าไหร่อัลลอฮ์ไม่รับเลยฉะนั้นในหะดีษเอนะือนอธิบายอย่างนี้ ถ้าจะให้อีมานของคุณมีประโยชน์ต้องรออย่าให้รอตะวันขึ้นทางทิศตะวันตกถ้าตะวันขึ้นทางทิศตะวันตกมาเลยนะอิมานบนลโลกดุนยาเนี่อลัลลอฮไม่รับอิมานของใครเลยตอนนี้ขึ้นยังยังแต่ก็ทาท่าจะขึ้นแล้วล่ะแต่นั้นถ้าใครจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเปลี่ยนซะตอนนี้เปลี่ยนเลยนะหันมาเรียมอิสลามจ้า ดังนันการที่เอลาลอประวินเวลาไม่รีบลงโทษเนี่ยคนที่ไม่เอาศาสนาไม่เอาอลัลลอฮ์ไม่เอารอซูลไม่เชื่อวันเกียร์มาว่ามีจริงไม่เชื่อวตายแล้วพเนี่ยอลัลลอฮ์ยังไม่ลงโทษนะที่อลัลลอฮ์ไม่ลงโทษเพราะนาบีมุฮัมมัดขอดุอาเอาไว้นบีอื่นเนี่ยเขาไม่ขอเพราะขอให้ลงเล่นงานเลยอย่างนาบีบรออีนก็ขอนบีนัวก็ขออก็อย่าปล่อยคนกาเฟ่เหลือไว้สักคนหนึ่งนะ เล่นงานให้หมดแล้วก็รับตาวพอเล่นแล้วนะ่ะจมน้ำตาไปหมดแล้วแต่ในยุคของนบีมูฮัมมัดเนี่ยเป็นยุคเดียวที่นบีขอว่าใครทำผิดอย่าเพิ่งลงโทษนะประวิงเวลาให้เขาได้เปลี่ยนแปลงดีรดอไม่ดีค่านคำภาษามีไหมไม่มีครับท่านใครี่ทำอะไรผิดวันนี้นะยังหลงๆตัวอยู่นี่นะเปลี่ยนแปลงซะ เรายังไม่รีบลงโทษแล้วก็ให้มีศาสนาอิสลามอยู่ผ่านคำพคิกลอ่านผ่านสุนนา น, นบนีไปเรียนสักทีพอไปเรียนแล้วก็จะได้กลับเนื้อกลับตัวเี่คนดีถ้าหากควรจะไปเห็นตะวันทางทิศตะวันขึ้นตะวันตกและวันนั้นมาอิมานเนี่ยมีประโยชน์ไหมไม่มีประโยชน์แล้วแค่นั้นอย่ารอจนกว่าจะให้ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตกอย่ารอตอนนี้ให้เปลี่ยนแปลงตัวเองเลยนะ ลายุ่งฝ่าหุ่นลาฏินาคาฝาลูอิมานุฮุมนะอีมานของพวกเขาจะไม่มีประโยชน์ถ้าวันนั้นมามาถึงวันกียา ม, มาหรือวันที่ดวงอาทิตย์ขึ้นทาทิศตะวันตกเมื่อไรานะอีมานของคุณวันนั้นไม่มีประโยชน์แล้วจบนี่พัดล่าอย่างนี้มากี่ครั้งแล่ว น, นะคือุณอ่านเดี๋วล่าเดี๋ยวเล่าเดี๋ยวเล่าเดี๋ยวเล่า ให้นบีไปสอนสอนสอนสอนเอ็งไม่เชื่อพิดนะ่ะเพราะอัลลอฮ์ไม่ได้บังคับให้ใครรับอิสลามแต่อัลลอ์ให้สติปัญญาเ็าเรียกว่าฟรีทิงกิ้งคิดอิสระออาไปเลยฟรีทิงกิ้งฟรีอิสระคิดอิสระใครคิดถูกก็มีรางวัลใครผิดผิดมีโทษแล้วอัลลอ์ไม่ได้บังคับแต่เมื่อรับอิสลามแล้วบังคับไม่นามาดพ่อต้องตีลูกนะ ไม่ถือสีลอดอาจาัดการทำดีนาต้องตักมือนะอย่างเงี้ยเอ้ยไม่ใช่ทำดีนาๆๆด่กาก็ฆ่าสิทำไมเดกก็เครียดอย่างนี้เป็นต้นถ้าอยู่ในหลักการอิสลามแล้วททำอะไรผิดต้องตำบนาตัวต่วอรองต่อมาครับวาดาฮมุมยมกรุเมื่อวันนั้นเมื่อวันชัยชนะของมุสลิมมาเนี่ยนะ พวกเขาจะไม่ถูกผ่อนผ่อนผันยุ่งร้อนตะว่าผ่อนผันจะไม่ถูกประวิงเวลาอีกต่อไปฉะนั้นวันนี้อัลลอฮฺประวิงเวลาเอาไว้ยังไม่รีบลงโทษก็สแสดงว่าในอิสลามคําว่าสายไม่ไหม้ไม่มีเราพูดได้เต็มปากเลยคำว่าสายไม่มีถ้าใครจะคิดแก้ตัวหันมาเรียนศาสนามาเรียนได้เลยเมื่อถึงวันนั้นมันวั น, วนกิยา ม, มามาหรือว่าวันตะวัน ขึ้นทางที่ตะวันตกเมื่อไรนะวัลาฮูมยุงรรูนพวกเขาจะไม่ถูกประวิงเวลาหรือว่าถูกผลผันอีกต่อไปอัลลอฮฺอัลอฮฺบัดทำมยุ่ิเลอ์อาย่านี้ต้องการจะเตือนนะครับบอกว่าขณะนี้ยังมีเวลาอยู่นะที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองหันมาเชื่อมั่น อย่างแน่วแน่คำสั่งของเอาล้อและคำสั่งของรถสูลแล้วก็มาปกป้องตนเองนะครับก่อนที่จะถึงวันเกียรมะการลงโทษจะไม่ถูกผ่อนโคลนอีกแล้วและไม่มีการจะไม่เปิดโอกาสให้อีกต่อไปเพราะฉะนั้นขณะ น, นี้ยังมีโอกาสอยู่นะครับขณะนี้เอาลอยังเปิดโอกาสอยู่ให้คนที่ทำผิด นะครับให้ร hmm, ีบแก้ไขปรับปรุงตัวเองเอาตวมาอายะที่สามะยสุดท้ายของสุรอสจดฟอาริบันหุมวันตักรอินนั่มมุนตักรฟะอริบันหุมวันตักรอินนั่มมุนตักรอัลลลลอฮฺอัลลัล ฟ้ า, าริษเนี่ยแปลว่าจงหันหาจงออกหาออกหาใครคนที่เยอะเยยอ่าคนที่ดาคนที่ขัดขวางคนที่ปฏิเสธอัลลอ์ไม่เชื่อวันเตียมะปฏิเสธอัลกุรอานคนที่ไม่เชื่ออิมานหกข้อและปฏิเสธอิสลามมีห้าข้อเนี่ย จะหันห่างได้ตอนไหนหรอเปล่าในตาษิีอธิบายว่าต้องดะาว่าก่อนนะต้องไปเชิญชวนเขาก่อนนะพขายังไม่ทำอะไรเลยอย่าเพิ่งไปออกหางเขาต้องดะาว่าก่อนบ้าดาดะว่าปตบัติรีหลังจากสอนแล้วเตือนแล้วให้ความรู้แล้วถ้าเขาไม่เชื่อนี่ไมันจะไปบังคับเขานะฝ่ะอาอาริษ อ, อันหุม ดังนั้นจงหันห่างออกจากพั้วเขาหมายความว่าให้เขาอยู่ตามลําพังอ่านี่อลัลลอฮฺสั่งนะฮะแต่ต้องทํางานดาว่าก่อนเชิญก่อนบอกเขาก่อนนี่หน้าที่ของพวกเราเยอะนะนี่หน้าที่ของนบีนะที่อลัลลอฮฺสัง่งสั่งนบีและสั่งพวกเราด้วยวันนี้ฟาอาลิดบอกว่านบีเ อ, อ๋ยจงออกห่าง จากพวกเขาคนที่ดา่นานบีคัดค้านอิสลามเรื่องอักตีด้ไม่เชื่อว่าอาลัลลอฮ์มีไม่เชื่อว่าตายแล้วฟืน้นไม่เชื่อว่ามีวันเกียร์มาเนี่ยนบีไปสอนก่อนนะถ้าเขาไม่เชื่อจริงๆก็จบออกห่างจากพวกเขาปล่อยให้เขาอยู่ตามลาพังไปเถอะแต่อย่าลืมนะต้องทำหน้าที่ก่อนต้องไปสอนก่อนทนที่ไปสอนคนเหล่านี้เนี่ยมจะเรื่องเรื่องเบาเรื่องหนะัก อ๋ออาละมัจฉาคนอย่าไปสอนศาสนาต้องมีความรู้นะต้องมีความรู้เลยเพราะในคุรอ่านในยานีเื็นกังไงในสุรานี้นาดี่พูดว่าไงนะเอ่อว่าจะอ่านนมินฮุมออิมมัตัยยัดูนบีอัมรินาจำไไหอายะที่ยี่สิเนี่ยและเราได้ทำให้มีหัวหน้าจากในหมู่พวกเขา หัวหน้านี่ยทำหน้าที่อะไรได้ไหย่ดูนบีอัมรินานําทางพวกเขาบีอัมรินาตามบัญญัติตามคําสั่งของเราอย่าเอาคําสอนอื่นไปสอนมันต้องเอาความรู้จากกุรนันและสุนานะนบีเนี่ยไปสอนคนอย่าเอาอย่างอื่นไปสอนเพราะสอนแล้วมันลงทางกันหมดนะ่ะฉะนั้นต้องยึดอัลกุรนันนี่แหละ ยสูน่านาบีและโซฮาบานาบีคำอธิบายนะเอาคําสอนของสลับเอาคําสอนของนาบีเอาจากอัลกุรอานเนี่ยถ้าหาจากกุรอานไม่เจอเช่นหาจากซุน่านาบีไม่เจอหาหาจากโซฮาบานาไม่เจอเช่นอะไรบ้างหาไม่เจอการให้เลือดในสมัยนบีมีไหมไม่มีแล้วก็การอะไรเน่ยเปลี่ยนตายเปลี่ยนตับ เปลนตรงเปลี่ยนตาในอิสลาม ม, มีในสมัยนบีไม่มีก็ไปถามอุลมามะรุ่นหลังๆเนี่ย อ, อว่ายงงอย่างไงอย่างเงี้ยเราไม่ได้ทิ้งอุลามานะเพ ร, ะะระาะเราคณะมายกระถุตนตำหนิเยอะนะเองไม่เอาอุลมามะไม่เอาเหมือนครับเราเอาทุทกคนนะนะั่นแหละที่ถ้าหาจากคูอาา่านไม่เจอหาจากซาวบ้าไม่เจอหาจาก ชาวสรับไม่เจอก็ไปดูว่าอุลมามะรุ่นหลังๆเนี่ยเขา อ, อธิบายอาย่านี้ว่าอย่างไงเรามาได้ทิ้แล้วมาบฏิเสธใครเลยนะฉะนั้นผู้นํำคนต้องเรียนไหมโอ้โหผู้นําต้องเรียนอิหมามต้องเรียนข้อเต็มต้องเรียนกรรมการทั้งต้องเรียนหมดนะเพราะอัลลอฮฺชานะครับทีุ่ณอานเนี่ยแต่ว่าละ ม, มาสวบารูต้องอะไรเองต้องอดทน การเป็นผู้นําต้องอดทนนะแล้วก็ผู้นํามีใครบ้างที่ถูกชมมีมไหมล่ะผู้นําคนไหนที่ถูกชมมีไหมมีจะถูกต้หน้ต้องอดทนหมดเลย่ะเพราะฉะนั้นพออัลกุราอานเนี่ยมันได้กำลังใจโอ้ได้กำลังใจเต็มเลยผู้นําถูกชมมีมากก็มีคนพันคนชมสักสองสรอยอีกแปะซอยดาก็ต้องอดทนอย่างนี้เป็นต้นนะครับ อต่อมาครับฟาอาริบันหุมวันตอร์กีมฮามัดจงออกห่างจากพวกเขาไอตสซีอธิบายว่าแต่ต้องเชิญชวนก่อนนะอย่าทิ้งงานดาว่างตับลิกทิ้งไม่ได้ต้องเชิญชวนตลอดไปถ้าเขาไม่เชื่อแล้วไปบังคับไม่ได้เราก็ปล่อยให้เขาอยู่ตามลำพังถ้ามีโอกาสเข้าไปอีก <c ười> อย่าหยุด มีโอกาสเข้าไปแบบนบีไงนบีไปเยี่ยมลุงใช่ไหมวันลุงจะตายเนี่ยนบียังไปหาเลยไปนั่งที่หัวนอนอ่ะลุงกล่าวคำนี้สิเอิละอิลลอห์มุฮัมมัดุรัสูลุลลอ์ลุงก็มองหน้าอับูละาห์บูจานนั่งลุ่จะเอาไงดี คนสอคนว่าศาณนาปู่ย่าตายายนะ่ะมันดีอยู่แล้วนับถือพระเจ้าหลายๆองค์เป็นร้อยๆพันๆ น, นะแล้วมาเหลือองค์เดียวเชื่อหลานยนี่ภาษานี้ม่นอ้องดีเป็นภาษาจริงๆเลยนะแล้ว น, นบีก็นั่งกินเงียบลุนก็ทั้งตายไม่รับอิสนาท่านหน้าที่ต้องสอนสอนตลอดเวลาเลยนะเอาตัวอย่างกรณีนบีไปเยี่ยมลุงเนี่นะ ก่อนที่จะเสียชีวิตไม่กี่นาทีน้องบียังไปเลยนะไปเชิญชวนครับว่รับอิสลามเนี่ยปลอดภัยจากไฟนรก <c oughs> การรับอิสลามในนายูนในศาสนานี้ปลอดภัยจากการลงโทษนะ่องใหญ่นาพี่น้องนะจะนายอย่าไปเราเนี่ยต้องยืนหยัดในอิสลามเพราะตัวเราเองก็ปลอดภัยสอนคนอื่นให้รับอิสลามเีงให้กใจอิสลามจะมีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์เยอะมากอัลลอฮ์ยิ ยิ่งไปอ่านประวัติซอบ้านนบีนะพี่น้องซอบ้านนบีนี่ไม่มีใครตายที่มากาเลยนะน้อยนะไปตายที่ประเทศอื่นๆ่นอื่นหมดเลยเนี่ยมีประวัติเขียนรอเป็นภาษาอุดูนะอุนดูว่าว่าอ่านแล้วรอเราเนี่ยทำานช่วยอะฮะฮะฮะฮะฮะฮะละฮะฮะฮะฮะฮะฮะฮ เมื่อทําตัวออกห่างปล่อยให้พวกเขาอยู่ตามลําพังลรเป็นไวันตะเิดมุฮัมมัดท่านก็จงรอรอวันนั้นวันวันที่วันเกียรมาหนามาแน่นะวันตะเกิมุฮัมมัดเอยท่านจงรอต้องอดทนนะต้องรอนะอย่าเพิ่งไปโวยวายอะไรเยอะทําหน้าที่สอนไปสอนไปวันตะเกิดแล้วก็ท่านจงคอยรู้จงรอ อินนุมมุนติยูนและแท้จริงพวกเขาก็ต้องรอเหมือนกันท่านรอคนที่ปฏิเสธอิสลามเขาก็รอกันอยู่ป่อให้เขารอไปคนชลาระหว่างที่รอนี่ก็เปลี่ยนแปลงตัวเองเรียนศาสนาซะดีได้ไหมดีอัลฮัมดุลิลละนี่อิสลามสอนดีได้ไหมดีอิสลามไม่ได้บังคับให้ใครรับอิสลามแต่ให้นบีมาสอนให้ซอบะมาสอนสอน เมื่อเข้าใจแล้วเขาก็เปลี่ยนแปลงตัวเองกันโอ้โหละดุิลอ์นี่หมดสุราอะไรนะสุราอัศจ์เอาสรุปสังห้าเรื่องก็พอ น, นะที่ผ่านมานะสุราอัศจรรย์ที่ผ่านมาเรื่องเรื่องทีหนึ่งตายแล้วฟื้นรื้ไหมฟื้นฟื้นนี่เป็นอักีดาเลยนะทุกคนต้องฟื้นหมดผมไปประชุมที่รัฐสภาครั้งหนึ่งเขาเชิญไปเป็นกรรมิการ มีพุทธอิสลามนั่งกันประชุมกันเรื่องตายแล้วเผาหรือว่าหรือว่าฝันผู้บอกตายแล้วต้องฝัาเผาตายแล้วต้องเผาก็เอาหลักฐานขึ้นไปอธิบายก็ฟังลับใจอย่างนี้ไม่เชื่อกระโดงมึงเรามียากีได้เราเน้นอาญานี่เราเตือกันเราเห็นใช่ไห่ะถ้าเราอธิบายแล้วสอนนั้นไม่เชื่อก็เรื่องมึง บังคบนะไม่บังคับอยู่แล้วพระพูดแปลว่าทุกชีวิตเกิดมาเท่าไรตายเท่านั้นนี่พระพูดนะผมก็พูดต่อเองว่าตายเท่าไรฟื้นเท่านั้นก็หันมามองฟื้นหักฟื้นที่กันท่านพระสอนว่าเกิดเท่าไรต้องตายเท่านั้นผมว่าเปิดเท่าไรตายไปเราต้องฟื้นอีกตายเท่าไรฟื้นเท่านั้น นี่เป็นความรู้สำหรับคนกาเใชโอ้นี่ฟื้นนี่ะอ่านี่ไงไหมแล้วก็ตายมาฟื้นมาทำมาแล้วอธิบายก็ฟังแล้วก็ตายทำยังไงพาะบ่าท่านจุลาตายใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนีนะก็จ่ายประมาณสองพันห้าสามพันวันนั่นแหละซื้อโลมราคาถูกๆ ก, กับผ้าขาวราคาไม่กี่บาทจุลาตายกดแค่นี้ละห้าหมบาทแต่ตางกันระวัง มุสลิมกับมิชนมุสลิมอธิบายให้เาฟังนี่เร่องเล็กๆๆน้อยทำเดี๋ยวเอาเนีน่นนเรื่องที่ผ่านมานะเรื่องที่สองนะครับตาตาจ้าฟาจนูบุฮ์มุสลิมทุกคนนะครับที่อ่านกุรานสุรษะจะต้องลุกขึ้นนมัสการฮัจญุถามว่านมาัสการฮัจญุงานเบาหรืองานหนักงานหนักครับแต่ถ้าทำได้ดีไหมพี่พอิช่าอธิบายบอกว่าจามาจากนาบีว่าท่านนบีสอนว่า ในวันกิยามาเนี่ยเราจะให้คนในยุคอาดำยุคน ب ي อับมาเนี่ยอยู่ในทุ่ง ม, มาชัดแล้วก็ให้มาราฮิกามายืนประกาศว่าใครที่ลุกขึ้นนมาตหาหยุดน่ะยืนขึ้นให้หมดมีคนยืนน่ะแต่ไม่เยอะพอยืนแล้วเราบอกว่ามาราฮิกาพาคนเหล่านี้ไปสวรรค์เลยเอาไหมเห <laughs> นื่อยวนดุญยานี้เล็เลกๆน้อยๆอาทิตย์ละสองคืนสามคืนก็ยังดีใช่ไหม นี่บางคนทั้งชีวิตนม่คยนมาตารยุทธ์เล ย, ยม่เบาม่เบ า, ม, เามีนนะก็อขอทวากันต่อไปเรื่องที่สามนะครับพี่น้องสุราดีนะสอนนะเคยเป็นคนดีมาก่อนแล้วก็มาเสียตอนตอนแกอย่าทำไม่เอาล้อตือนแล้วนะเอาล้อตอน อายุ40 30 40 50, 50น่ะดีมารักษานามาถ่าเวลามามัสยิดอยู่เป็นประจำอ่านกูณอ่านทิคุรุลอบแต่พ่อแกตัวหน่อยเพีย้ยนแฮงไม่เอาศาสนาแล้วนุงเกียกระสั้นเล่นตะโก้อัลลอฮฺอักบารเนี่ยคุณอ่านสั่งนะถ้าจะเสียก็เสียตอนหนุ่มๆเพราะตอนแกโครสุดท้ายต้องดี ต้องเปลีป่ยนแปลงตัวเองนีคุณอ่านสุรสัญญาในสั่งนะครับเรื่องที่สี่นะครับพีนอถ้าหากอัลลอ์จะให้คนทั้งโลกเนี่ยเป็นมุสลิมมีอีมานทำได้ไหมที่ผ่านมาที่เรียนมาแล้วนี่นะอัลลอ์สามารถทำให้คนทั้งโลกเนี่ยมี إ ي م านมีาศาสนาได้เลยแต่อัลลอฮ์ทำไหมไม่ทำทำไมทำไมนบีเคยขอน่ะ อลัลลอฮ์จะให้คนทั้งโลกนี่มีอิมาจะได้ไปสวรรค์กันหมดแ ล, ล้วอัลลอฮ์ก็ให้ยิบรีมาบอกว่าแล้วนบีทํางานอะไรถ้าทุกคนอิมานหมดหน้าที่นบีหมดแล้วก็หมดด้วยอ่ะฉะนั้นที่มีคนไม่เอาศาสนาแ ล, าล้วอัลลอฮ์มาได้บังคับเนี่ยแต่ให้นบีมาเผยแผ่มาสอนมาสอนนี่แหละนี่แหละโอกาสอ่าฉะนั้น อลัลลอฮ์เนี่ยจะเปลี่ยนแปลงคนในรับอิสลามเนี่ยภายในห้านาทีทั้งโลกทําได้ไหมได้อลัลลอฮ์รักนะพี่กูอานเองอะแต่นอลัลลอฮ์ไม่ทำให้นบี ม, มาสอนให้เราไปสอนสอน ส, อนสอน่วนพอสอนให้ผลบุญถูกที่เราหมดเลยเขาจะเชื่อไม่เชื่อเรื่องของเขาแต่การอบรมการสอนการตะดาการตับลีนเนี่ยเป็นหน้าที่ของมุสลิมทุกคนจะต้องรับผิดชอบต่อมาข้อที่ห้าก็สุดท้ายนะ ทุกหมู่บ้านมีผู้นาแล้วก็ผู้นาทุกคนเนี่ยจะต้องอันคุรานต้องศึกษาหะดิษต้องเอาประวัติของบรรดาซอบ้างทุกคนนี่สรุปนะจากสุร่าความจริงถ้าความจริงสรุปได้ทุกอายานะนั่นแหละแต่เอาเจะพอห้าเรื่องพอนะหนึ่งตายแล้วฟืน้นสองลุกขึ้นนำมาตหฮจุดส ช่วงแก่ๆใกล้จะตายเปลี่ยนแปลงเป็นคนดีซะช่วงที่สี่ระยะที่สีนะครับถ้าหากอาลัลลอฮฺจะให้ทุกคนมีอีมานเนี่ยทำได้ไหมได้แต่อลัลลอฮฺไม่ทําข้อที่หทุกหมู่บ้านมีผู้นําและวมู่หมู่บ้านเหล่านั้นที่มีหัวหน้าเนี่ยนี่อลัลลอฮฺเตือนนะให้ผู้นำเนี่ยเรียนคุรานเรียนสุนนะนบีบีอัมรินาคําสั่งของเราที่ฐานนบีนะครับมาเนี่ยเรียนสร้างศึกษาหาความรู้ซะ แล้วก็ไปสอนประชาชนโอ้แล้วทำในเวลาจบสุร้ออัษฎเดชแล้วก็มาขึ้นสุร้ออัลอหฮซาอัลอาซาบนี่แปลว่าบทที่สาสานะจบแล้วนะสุรอ้อที่32มสบนะจบไปแล้วมีสามิอายะสุร้ออัาฮซาบเนี่ยถูกประทานที่นครมดีนะพี่น้องอย่าลืมนะว่านครมดีน่กับนครมาักกาะเนี่ย คนอยู่ตรงนั้นน่ไม่เหมือนกันคนในนครมักกะเนี่ยส่วนใหญ่ปฏิเสธอิสลามแบบชัดๆชั้นแมว อ, อิสลามที่ต่อต้านด้วยชัดเลยนะ ร, รู้คนนี้คนนี้คนนี้เป็นกาเฟรู้เลยแต่เพื่อมันถึงนบีอพยพจากนาครมักกาไปอยู่มดีนาปับ๊บที่มาดีนาเนี่ยคนรับอิสลามมีไม่มี สแสดงตัวชัดเจนมีไม่มีแต่คนรับอิสลามบางคนนี่แอบแฝงมีไหมมีมนบีไม่รู้นอัอลลอฮฺให้ยิบรีนมาบอกนี่ที่นั่งนั่งอยู่แปดเจาคนเนี่ยอันนี้แกล้งมารับอิสลามนะเห็นไหมว้าว้านี่เขาเรียกว่ามูนาฟิกอ่าเจ้าท่านวันนี้มูนาฟิกนะสัมคมมีไหมโอ้โหตรงนึกนะพีน่น้องนึกแล้วมูนาฟิกเนี่ยนะ ที่อยู่ขาอยู่ไหนนรกชั้นสุดท้ายต่มสุดเป็นไงรออาคุบะนี่ศาสนาอิสลามเนี่ยมีมุนาฟิเยอะคนกาเฟจนี่ต่รำว่าคนคนที่ต่อต้านอิสลามมีอยู่ห้ากลุ่มนะหนึ่งกาเฟนสองมุชริกพวกนี้ตกนรกหมดเลยนะกาเฟนมุชริกมุตตัดมุตตอธิบายยังไง คนที่มาเป็นมุสลิมได้ปีสองปีแล้วก็ทิ้งอิสลามไปด้วยสาเหตุอะไรก็ตามกาฟเฟมุชริดมุตตัดยิวูดิอัลุกิตาบอ่าอัลกิตาบคุมหมดเลยแล้วก็มุนาฟิกห้าศาสนาอิสลามเนี่น้องต้องเอาความรู้เนี่ยไปเผยแพร่กับคนห้ากลุ่มที่อันหนักหรือเบาท่านตรงเรียนอิสลามต้องเรียนกันเยอะน้องไม่ใช่รู้บไม่ใช่ ต้องรู้จริ ง, รงๆและอธิบายได้ด้วยถึงเงียบเรีกเกนเนยนกาอธิบายอิสลามคนนับอิสลามคันเยอะเพราะอะไรอะ่ะท่องจำโบราณท่องจำพาษไอีปิดกท่องจำข้อคิดดวงคิดดูจำหมดเลยโ อ, โลโอคค้โหละเพื่อใครอิสลามคนฟังคนเสียพระอิสลามกูติเพราะอะไรเพราะว่าต้องมีความรู้อะมีเป็นต้นนะครับเอาต่อมาอัลอา์ซาบอาฮ์ซาบแปลว่าหลายๆกลุ่มมารวมกันเป็นกลุ่มเดียวเรียกว่าสหะาพอ่า หลายๆกลุ่มหลายๆก๊กมารวมกันรวมทําไมรู้เปล่ารวมกันเล่นงานาศาสนาอิสลามนี่อัลลอฮ์เล่าให้ฟังให้มุสลิมรุ่นนี้เข้าใจด้วยอิสลามไม่ได้โยแบบมีคนโอ้ยก้อนรับที่ไหนพี่น้องวันนี้ยังมีคนรังแกอยู่ยังมีคนด่าอยู่ใช่หรือไม่ใช่ใชยังรอเรียนลาบีอยู่ใช่ไหม พิญญายังถูกกระช่างอยู่ใช่ไหมคราวยังถูกเยอะเยะื่อไหวคราวแพ้ใช่ไหมทุกตลอดเวลาเนี่ยถ้าเราไม่อดทนนะเรก็ทิ้งอิสลามไปแล้วนั่นอันอาซาบอธิบายยังไงหลายหลายกลุ่มรวมกันที่จะเล่นงานาศาสนาอิสลามถาว่าเล่นได้ปะไม่ได้ <c oughs> เองจะรวมโดวขนานไหนก็าตามจะทำลายอิสลามไม่ได้เพราะใครเป็นเจ้าของ อัลลเป็นเจ้าละคำพีคุรานจะวางแผนทำลายคุรานน่เชิญไปเถอะไม่มีความสำเร็จเพราะอัลลอฮบอกว่าอินนีอินนาละฮาฟิรูดฉันรักษาคุรานเอาไว้อีกสามสี่เล่มคำพีของัลที่ส่งผ่านนบีมูซานบีอีสานบีดาวูดใครแต่ใครที่ผ่านผ่านมาห้เล่มเนี่ยนะอัลลอฮปล่อยให้อุลามาของศาสนาเหล่านั้นดูแลให้มนุษย์ดูแล ในภาษาพุานว่าอิสต้าฟาวะฮูขอร้องให้มนุษย์ดูแลดูแลได้ปะไม่ได้ครับคัมภีร e ์ไมเบิลถูกสังคายนาไปแล้วทุกเล่มในะคัมที่มาก่อนหนะ้าพุทธว่าถูกสังคายนาเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงพุทธว่าเล่มเดียวแล้วว่าฉันไมไว้ใจมนุษย์แล้วฉันขอรักษาเองว่าอ ah ินนาลาหูลาฮาฟิรูนฉันขอรักษา พ, พุทธว่าเล่มนี้เอาไว้ สามสี่เล่มที่ผ่านมาขอร้องให้มนุษย์ขอร้องให้อุลละมาเนี่ยในศาสนามันอื่นๆให้ดูแลทําฟีนอยดูแลกันไม่ได้ไม่ไหวใจอย่างนั้นฉันขอดูแลเองฉะนั้นขายจะตํารากุหลาบได้มะไม่มีสิทธิ์ยิงทําลายกุหอาบแล้วก็จดเชื่อว่าคุณเล่นงานเองแน่แต่ตัวนี้นะรอไปก่อนปวีณเวลาเขาไปก่อนให้คุณแก้ไขเปลี่ยนแปลงตัวเอง ในสุรอาซาบเนี่ยเองการไปเรื่องอยู่หลายเรื่องนะครับผมเล่าให้ฟังก่อนนะนบีเนี่ยอพยพจากนาครมักกะไปอยู่ที่นครมัดินาเนี่ยไปด้วยความลําบากหรือไปด้วยความสบายสบายแบบขึ้นเมรอดน่ะอ้าวขึ้นเมรอดเนี่ยลำบากหรือสบายสบายครับขึ้นไปเข้าเฝ้าองค์ไปรับน้ามาเนี่ยไปแบบสบายมากเลยนะ มีบุรุพาไปใช่ไหมาจากมักกะไปเมืองเยรูซาเลม็มอัลอักซอจากอัลซอขึ้นไปเข้าเฝ้าอัลลอ์แล้วก็กลับมานนเมืองสมโบต่มักกะทานันไม่มีปัญหาเลยแต่อพยพจากมักกะไปมาดีนั่นทำไมต้องลำบากเป็นข้อคิดกับพวกเราวันนี้การเผยแพย่อิสลามเนี่ยต้องพบกับปัญหาน่ไม่ใช่เดินบน เซลผ่าหมายไม่ใช่ต้องทําใจครับคุณจะทํางานศาสนาต้องทําใจเลยสี่ห้องนี่นะว่าใจนะห้องหนึงถูกดา่าเตรียมเอาไว้เลยถูกดา่าถูกตําห น, นิถูกนู่นถูกนี่ถ้าหากไม่อดทนอย่าไปทํางานศาสนาเลยหน้าบางๆมองอยู่บ้าน <c oughs> จะน่าต้องอดทนเหมือนใ ค, ครก็เหมือนนับีุลเบิดาสอานมาเขาไม่เคยขเทขาแท้ขอเล่า ในสมัยนบีเนี่ยสมัยหลังนบีเสียชีวิตไปแล้วเขาเออกไปทำงานดาว่าอิสลามระหว่างที่ยืนอบเผยแร่อิสลามอยู่มีศัตรูเนี่ยมายืน น, นี่ผมอ่านจากหนังสือับมณาบุลฮัสันยิงธนูเนี่ยเข้าไปข้างหลังาสามสี่ดอ ก, ก, ก, กแล้ว ก, ก็กอนที่จะเสียชีวิตเขาล้มไป ไอคนที่ยิงธนูเนี่ยก็เดินไปดูที่ว่าคนมุสลิมเนี่ยก่อนตายมันมันทำนทำอยางไรพอไปยืนดูเนี่ยก่อนที่จะวิญญาณจะออกจากร่างคนนั้นพูดว่าฟุสตุฉันชนะแล้วฟุสตุฉันชนะแล้ว้า ช, ชายคนที่ยิงคนเนี่ยตายพระก็ น, นึกชนะอะไร ถ้าเองมีพรรยาภรรยาเป็นไม่ชนะตรงไหนถ้าเองไมีลูกลูกเป็นอะไรเป็นกางพาก็ชนะยังไงภาษานี่มันออกมาจากคนที่ถูกยิงอ่ะออกมาได้ยังไงอ่ะพอเขาจัดจดนจัดนาจาศพไอ้คนนี้ก็นั่งนึบอยู่หลายเดื อ, น, อนชนะยังไงก็ ไปถามสหบัตินาบีบางคนที่เป็นเพื่อ น, ก, นก็เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดเลยสหบัติบอกว่าอ้อคนที่คุณยิงนะ่ะเขาออกไปทำงาน ศ, า ศ, าศาัสนาเขาตายชัยอีไอ้นี่ก็ไม่เคยจะยินคาว่าชัยีคืออะไรล่ะถ้าชัยอีกชัยอีกจะไยังไงเขาอยู่ในสวนส ว, นสวนรรคเซวา แล้วก็นบีก็สอนเองนะคนที่ตาย شهيد เกดด้วยเหตุการณ์ยิงแบบไหนก็ตามนะมดกัดเจ็บกว่ามดกัดเนี่ยเจ็บกระถูกธนูชุกชุกชุกอีดก็ตามนะมดกัดเจ็บกว่าที่มาจากอัลลอฮ์ทั้งหมดแล้วก็ก่อนที่วิญญาณจะออกจะ่ด้อัลลอฮ์จะให้เห็นที่อยู่ของเขาในสวนสวรรค์ น, นะแล้วก็สิ่งข้างในทั้งหมดเนี่ยอัลลอฮ์ให้เห็นหมดเลยภาพจะมาก่อนที่วิญญาณจะออกจะได้ เพราะนั้นคนที่ตายเนี่ยเขาอยู่ในสวนสวรรค์ของอัอลลอฮ์เขาเลยกล้าพูดว่าฟุตตุฉันชนะแล้แวไอ้ยักษ์เจริอยู่ในอิสลามเนลยี่นอ้ยัดให้มัน่นแล้วก็ทำงานศาสนาตนต่อไปเผยแผ่ครอบครัวเราองดูแลให้ดีญาติยูนองเราถ้าคุยได้คุยเจริญอิสลามเชิญชวนด้วยมารยาทีนิมนนวลทูดามาทำไงหนึ่งหนึ่ง ต่อไปต่อต่ อ, ต อ, อไปไล่ไปนอกที่หลักการนบีอพยพไ ป, ปถึงนครเบดินะสิ่งสิ่งแรกที่นบีทาอะไรรู้เป่าสร้างบ้านหรือสร้างมัสยิดอ่านี่เป็นความรู้นะสร้างมัสยิดมันจะสร้างบ้านถามว่างานที่ทําแบบนี้นะ่ะห่วงอะไรครับห่วงสังคมไม่จะห่วงตัวเองถ้าเป็นพวกเราอ่ะ ย้ายไปอยู่ที่อื่นหัวก็ได้ก่อนหัวบ้านก่อนโซลาออาไว้ทีหลังแต่นบีทํามัสยิดก่อนมัสยิดหลังแรกที่ทํามัสยิดกูบามัสยิดกูบาเป็นอันขาดแล้วก็ น, กนามาต์วันศุกร์ครั้งแรกนะที่หลมัสยิดกุบาแล้วก็มีอาจารย์ครั้งแรกหลังจากอพยพตัวลครมบดีมา แล้วกนบีความมาถึงนครมาดีนาไปซื้อที่อีกหนึ่งหนึ่งแปลงมาดีนาทุกวันเนี่ยมื่ิดมันนบนาบีนี่นะซื้อจากเด็กกระพ้าสองชื่อซาลุนวาสุไฮลุนเด็กกระพ้าฉันวักกลับแล้วว่าไม่อาไม่าไม่เอาเอ า, เอ า, เอ า, เอาต่างไปนั่นสิ่งแรกที่นบีทำที่ลครมาดีนาไมา่าทำเพื่อตัวเองเลยนะเขาทเพ oro, ื่ออัลลอฮฺอัลลอัลลอัลล ผมว่างานสางังคมงานดูแลส่วนรวมสําคัญกว่างานส่วนตัวใครที่มีปัญหาส่วนตัวเนี่นะุณสังเกตตัวผมเองนะผมคุยกับอาจารย์บ่อยถ้ารย์คริสไมนะ์เนี่ยบอกธรรมศาสนางานส่วนตัวเราที่มีปัญหาอัลลอฮ์แก้ให้หมดผมสังเกตนะจริงนะงานส่วนตัวบางทีมันหนักอึ้งเลยนะอดนอนมาอ้นี้มา อ, อุ้ยอะไรกันเนี่ยเพราอยู่กับศาสตราเยอะๆนะ เราให้ผ่านเลย ต, ต้องมั่นนะต้องสบตินะต้องอดทนนะเหมือนกันครับถ้าเอานาบีเป็นแบบอาเอานาบีเป็นแบบไม่ได้คิดเรื่องส่วนตัวแต่คิดเรื่องส่วนรวมนะครับพัฒนาสังคมให้มันเจริญในคนได้เข้าใจาอิสลามอัลลอฮ์เนี่ยเรื่องใหญ่มากนะี่เอาเอาอายะแรกของสุร อ, อัลอาฮิซา ย ا อ ي ه ا النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ล ن ม ل ل า كان عليما حكيم อฮฺกาน ا อัลลิมันฮ ل กยห ولا تطيع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما الله أكبر พี S 1> <S 1> ่น้องสะเกดนะยะอายุหันนบีนบีคนไหนบีมัมมัดทำไมอัลลอฮเรียกยะอายุหันนบี โอ้นบีเอ๋ยทีนี้มาถึงนบีมุฮัมหมัดทำไมไม่เอ่ยชื่อมุฮัมหมัดละ่ะเอ็งตัอสิอธิบายดีนะมีนบีคนเดียวที่อ AH ัลลอฮ์เวลาเรียกเรียกนบีเอ๋ยนอกนั้นนบีอื่นๆอัลลอฮ์เอ่ ย, AH อยชื่อยาบูซายานนอายาอิบรอฮิมยาอาดัมเอ่ยชื่อตรงๆเลยเฉพาะนาบีมูฮัมหมัดท่านเดียว นบีคนที่ยี่สิบห้าเนี่ยนะอัลลอฮ์ไม่เคยเรียกนบีชื่อนบีแต่เรียกอะไรนะเรียกว่าลักอบตำแหน่งนบีเรียกนบีนี่เป็นการให้เกียรติอัลลอฮ์ให้เกียรติครับอ้อัลลอฮ์ให้เกียรตินบีอุมัดเยอะที่สุดพี่น้องอย่าอยุฮัลนบีโอนบีเอ๋ยคือนบีมาอะยะเออมีใช่ไหมอย่าอยุฮัลมุดดัสเซ โอ้คนที่นอนห่มผ้าเอ๋ยจำเรียใครเรียมหาหมัดยาอยุมหามุซัมเรียใครแต่เรียมาหมัดทำไมไม่เรียกชื่อตรงๆล่ะเป็นการให้เกียรติคือในโลกอาักเนี่ยเขาไม่เรียกชื่อคนตรงๆอย่างกะอามัดมีลูกชอ brahim, ิบรอฮีมกเเรียกออบูอิบรอฮีมอ่าพ่ออิบรอฮีมเ นี่เป็นตนนะนี่จากตรงที่ได้ไดความรู้นะยาอิยูฮันนบีนบีเอ๋ยมาถึงนบีมูฮัมมัดนะต่อมาครับอิตตะกิลาตักวานะจบได้จงสำรวมตนต่ออัลลอฮ์ทำไมต้องเกิดคำนี้เพราะว่าตอนที่นบีเผยแผ่อิสลามน่ะพวกอาหรับมุชริกน่ะมาเสนอเอาเงินให้ มาเนอให้ผู้หญิงสวยๆนะไปกี่คนก็ได้จะเอาตำแหน่งอาลาชันมอบให้แต่ให้หยุดทำงานอิสลามหยุดเผยแพ่สัอัลลอฮ์ก็บอกยิบลีนควรนบีจะคิดผิดกันมาอิตตะกิลละมุฮามาเถอะจงกลัวอัลลอฮ์เป็นที่ตั้งอย่าไปคิดถึงเรื่องเงินอย่าไปคิดถึงเรื่องผู้หญิงอย่าไปคิดถึงเรื่องตำแหนง่งอยาอาลัลลอฮ์จัดให้เองนะนี่นี่สอนพวกเราเนี่ยนะ ถ้าจะทํางานศาสนาอย่าไปหลงกับเงินเงินทองทองเยอะอย่าไปหลงกับตําแหน่งเยังฉันต้องมีตําแหน่งนะอัลลอฮ์งานคนในสุรายุมาตำแหน่งก็ได้แต่ เ, เท่ากันหมดเหม็นถ้ามีตําแหน่งเยอะองานเยอะอถ้าตาแหน่งน้อยก็งานน้อยยังไงล่ะท่านมีตําแหน่งเดียวดาวอิสลามดีหรือไม่ดีอัลลอฮ์สอนคนให้ตกนรกดีหรือไม่ดี t a m e n mereka berNabi Muhammad SAW. Alhamdulillah kita t q i l a Muhammad e j o m g b u a Allah. Ream kedua. Wala tu t i i l k a f i r i n tu tiaan. Belawa taat na. Ya ceha fang. Ah, la belawa ya tu tia taat. Ya ceha fang. Patibat tamai. Konka firin. Kafirin kenjama. Firin babu bot tapi nok. นี่อัลลอ์บอกกับนบีนะอย่าปฏิบัติตามอย่าเชื่ออย่าทำตามคนกาเฟทที่เสนออะไรให้อย่ารับเห็นยังใจโยมกับใครโยมกับอัลลอฮ์ อ, องเดียวเห็นย่ังครับที่สอนเราเนี่ยอย่าไปติดยิ้ดไก้ตำแหนงชื่อเสียงเงินเงินทองทองย่าไปติดติดกับใครอัลลอฮ์ แล้วก็บัดานาบีทั้งหมด น, น่ะเขายึดเขา ย, ยึดอำลาจเต็มที่ต่างหมดเลยละส ง, ง่างาไมไหมล่ะอ่ะนานนบียูซุฟอยู่ตอนอยู่อยู่ในบอ่อน่ะในอิบนุกะซีนอธิบายว่ายูซุฟอ่านอะไรรู้ั้ยอ่านสองประโยคละอิละอิลลอ الله อัลลอฮุอะกบัรับบทให้เลยตรงนั้นแล้ ว, ว, ลวบันดาถูกขว้างที่เมืองตออีเลือดไหลนบีว่าไงไม อัลลอฮุมมัลฟิตละหุมกออินน ahoma ลาอิยาละมูลอร่อยจะอภัยโทษไอ้คนที่ควางจะด้วยถ้าพวกเขาไม่รู้นี่ภาษาเพราะไหมล่ะและเรามีมีปัญหาเจอกัคดีเดียวกันจะทำไงโอ้โหกลับมามีทีวีก็ด่าทางทีวีต่อใช่หรือไม่ใช่อย่าไปทำทำทำไมให้เขาด่าเราดังเฉยๆผลละโบนข้ามชีเราดีหรือไม่ดีอัลลอุมตะเลิลา วัลตูไนลกาฟิริยาปฏิบัติตามคนกาเฟตคนกาเฟตอยู่ที่ไหนคนมะ ก, กะญาติอบดีทั้งหมดเลยนะ่ะเสนอนู่นสเสนอนีนน่อย่ารับนะต่อมาครับวัลมูนาฟิตรนและอยาเชื่อปฏิบัติตามคนมูนาฟิกทั้งหลายมูนาฟิกอยู่ที่ไหนในสมัยนู่นนะครมาดีนะชัดเจนไหมชัดเลยปฏิบัติ เราก็มัง ก, ก, ก้าวกำลัเดินเอาวันนี้การเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุดใช่ไหมก่ mm hmm. อนหน้านี่ก่อนนี่นบีจะไปเคลียร์น่ะหนักหรือว่าเบาหนักมากครับสมเร็จไหมนบีทำสำเร็จแล้วนบีก็าต า, ค, าคนละบุญของนบีหมดเลยอันั้นนี่อรรถสัมภารนะอย่าปฏิบัติตามอย่าไปเชื่อคนกาเฟนอย่าไปเชื่อคนมูนาฟิกเรื่องงานศาสานาไม่ต้องอาศัยคนกาเฟนเลยนะ งานศาสนาทั้งหมดอย่าอาศัยคนกาเฟตไม่ต้องไปตั้งคนกาเฟตเป็นที่ปรึกษาอย่าทำ อ, าอุลลามะอธิบายว่าอย่าทำใช้นามธรรมแนนะ่ไม่ว่างานเล็กงานใหญ่ไม่เอาคนกาเฟตมาเป็นหัวหน้างั้นมุสลิมนะพูดกันเงยเงงนะขอๆต้องเป็นมุสลิมถ้าเข็ดเราะว่มุสลิมตัวไรคิดไม่ถึงนะครับพูดมากขณะหมหนเองอ่ะ คมนี่มีถูกตำหนิเยอะเชิญใครมาวันั้นมาบรรยาย เ, ยเปิดงานเป็นดรสุรินมา ก, กว่าคนชมเยอะพอเชิญวันนอมาถูกด่าสามปีเพรา ะ, ะนียอยู่เขาเอาการเมืองนำหน้าศาสนาเราเอาศาสนานำหน้าการเมืองแล้วก็ถูกด่าก็นั่งยินมนึกเจอพูดอานอ๋อเอาวันนอมาถูงด่าเยอะ ตอเอพซลนมามีปัญหาคนชเยอะนี่ ง, ง, ง, งนาตงรนาระวังตัวลพพวกเราอยกศาสนาเอาศาสนาไหวหลังเอาการเมืองนำหน้าก็เสียหยอ่ะเ อ, อิสลามนำนาะที่นจะเอาใครไปเรื่องนึงงนะอัลลอไม่แตะนะไม่แตะเพราฟินายเยอะนี่อลสั่งับดบีนะามามด้อจงกลัวอัลล์ อย่าอยเดินตามอย่าคิดตามอย่าไปกลวยคําขู่คําชมของคนกาเฟสในละครมักกะและคนโมนาเฟสก็ไว้ใจไม่ได้อย่าไปไว้ใจมันอย่าไปเดินตามมันอย่าไปเชื่อมัน <c oughs> อินนัลลาาอฮะกะลาอัลีมันฮะกีมาแท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงรู้ถ้าเอ็นไปเชื่อคนกาเฟสข้านาคตจะเป็นอะไรอลัลลอฮ์บอกอย่าทานาเดี๋ยวความเสียหายจะตามมา ถ้าไปเชื่อคนโมนาฟิกคือเขาขู่ว่าทิ้นอิสลามนะแต่เผยแพ่พฉันจะเล่นงานนะจะเอารวมคนตัุงเยอๆนะๆมาเล่นงานคุณคุณแพ้ด้วยนะเราอย่าไปกลัวมาอาลีมันเอเลาส่งรู้ฮะ ก, กีมันเพาว่าทรงปรีรู้อย่างละเอียดยิบเลยล ก, กันเียว่าฮะกีครับอายาเดียจะสูงว่าอะไรอัลอาฮัจจาอาฮัาไปว่าอะไรนะสหพส แต่ว่าเอาคนหลายๆกลุ่มมารวมกันที่จะเล่นงานศาสนาอัามามสัมสไมมัมรบ